ที่สารแพง่งถ้าใครสงสัยอะไรบ้างะไม่เจอกันนานจานหนอยากรู้หลักในการที่จะองไม่รู้เท่าทันนะคะ บ, บางครั้งมันเลยชอบเลยใช้ชี่ิประจำวันบางครั้งอะเรากไ็ไม่รู้เท่าทันอะจา น, นใช้สามชิน้นผมก็ยันดึงเองไม่ได้เหมือนกันมันจะได้แค่ฝั่งฝั่งจังหวั่นเแต่มันจะไปกับความชิ้นที่เราไปยทำเยอมากกว่าขอให้ท่านรู้คู่กันไว้ รู้กายรู้จิตคู่กันไว้คือรู้กายก็คือรู้ลมหายใจเข้ารู Late ้ลมหายใจออกเรียกว่ากายลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่ากายเพราะว่าถ้าลมหายใจขาดก็ตายลมหายใจเขา้าลมหายใจออกเขาจึงเรียกว่ากายเพราะกายประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุบิญญาณธาตุแล้วก็ธาตว่างคือธาตุรู้ เนั้นธาตุลมยังเป็นธาตุธาตุหนึ่งที่ผสมของกายเขาก็เรียกว่ากายให้เรารู้ลมหายใจเข้ารู้ ล, ลมหายใจออกเวลารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเนี่ย ใ, ให้รู้ให้ละเอียดว่าเข้าสัาน้นหรือเข้ายาวเข้าหยาบเข้าละเอียดเข้าบางเบาเข้านุ่มนวลเข้ากระแจกระทันหรือว่าลมหายใจมันมันหายไปลไมหายใจยาวลมหายใจออกเหมือนกันลมหายใจออกสัน้นลมหายใจออกยาวลมหายใจออกนุ่มนวลละเอียดหยาบปานกลางเพียงใดก็ ให้รู้ชัดเจนหรือว่าเราไม่เจมันหายไปก็รู้ชัดเจนขอให้รู้ชัดเจนในลมหายใจเนี่ยให้รู้คู่ไปกับจิตจิตคือความคิดกับอารมณ์ต่างๆขอให้รู้คู่กันไปรู้คู่กันตลอดเวลาเหมือนกับเหมือนฮ้ยเครื่องหมายตาชูของสารเราอะให้น้ําหนักมันให้มันรู้น้ําหนักเนี่ยให้มันรู้เหมือนกับว่าให้มันรู้คู่กันไปอย่างนี้ตลอดเวลาอย่าให้มันน้ําหนักข้างใดข้างหนึ่งมาก คิดก็คิดไม่คิดก็หย่อนไปให้มีนคิดตัวแม่ใจใช่ครับก็หนูว่าคือให้ให้รู้เฉพาะสิ่งที่มันมันปรากฏขึ้นมาในขณะปัจจุบันนั้นๆเราอย่าไปควานหาคือถ้ามันคิดขึ้นมาในปัจจุบันนั้นนเราก็รู้ในปัจจุบันนั้นนั้มีอารมณ์ขึ้นมาในปัจจุบันนั้นนก็รู้อันปัจจุบันนั้นนคือรู้กายรู้จิตเนี่ยให้มันมีน้ำหนักเท่ากันอย่างนี้รู้คู่กันตลอดเวลาแล้วมันก็จะพบผู้รู้เองเพราะผู้รู้นั้นคือธรรมผู้รู้นั่นคือธรรมไปเร อย่างเงี้ยเหมือนเรามีมือสองข้างใช่ไหมเราไปไหนก็มีมือสองข้างเราไม่เคยเอามือไปข้างเดียวใช่ไหมยกเว้นคนมือแข็งขาดอันนี้ก็ยกเว้นไปคือปกติที่คนที่มีมือสองข้างเนี่ยไปไหนก็เอามือไปสองข้างนี่ก็ธรรมดาเราไปไหนเนี่ยยืดเดินนัง่งน้อยเข้าห้องน้ำมั่งร่วมดื่มกินเดินทางไปไหนมาไหนเราก็รู้คู่กันรู้ลงไม่เจ๊ข้าวรู้ลงไม่เจ๊ออกเพราะลงไม่เจ๊ข้ า, ขาออกเนี่ยมันมีตลอดเวลาไงเราไม่ต้องใช่อุปกรณ์อะไรนําพาไป ไม่ต้องยกพระพุทธรูปไปไม่ต้องยกเอหลูมแก้วไปไม่ต้องยกอะไรไปไปเป็นปอุปกรณ์ให้เสียเวลาเราไม่ใจเข้าออกเราเนี่ยมันง่ายที่สุดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรก็ได้ถ้าเกิดเรารู้เ ร, เราไม่ใจไม่ชัดเจนเราก็เอาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหรือรู้เราไม่ใจเฉยคือกายแล้วก็รู้จิตจิตคือความคิดกับอารมณ์ต่างๆความคิดความนึกความตึกความตองความวิตกความวล ความปรุงแต่งจิตหรือจิตปรุงแต่งคือความปรุงแต่งจิตก็คือว่ามีการพยายามอย่างไรเกิดขึ้นมีความพยายามพยายามจะทําอย่างนี้พยายามจะทํ า, ยาทอย่างนั้นพยายามจะทําอย่า ง, งน้นพยายามจะทํานี้พยายามค้นหาพยายามดิ้นรนอย่างนี้เรียกว่ามีการปรุงแต่งจิตก็รู้ว่าจิตที่ปรุงแต่งหรือปรุงแต่งจิตในกระดานนั้นเรียกว่าจิตเราก็รู้คู่กันกับรู้กายให้รู้อยู่อย่างเงี้ยรู้รู้รู้รู้ไปเรื่อยๆแล้วก็รู้รู้รู้ ไปจนกระทั่งรู้เนี่ยไม่ติดทั้งกายแล้วก็ไม่ติดทั้งไม่ติดไปกับจิตจิตก็คือความคิดกับอารมณ์ก็รู้คู่ก่นไปก็จะไม่จน ก, กว่ามันจะไม่ติดกันก็คือรู้เป็นอิสระจากกายและรู้อิสร ะ, ะก็จะจิตใช่ไหมเอาตรงตรงขั้นตอนนี้ก่อนขั้นแรกขั้นแรกใครสงสัยดีไหมเนี่ยวิธีนี้นะจะ ง, ง่ายง่ายแต่ต้องขยันขยันเพราะว่าเราก็จะขี้เกียจรู้ เดี๋ยวก็ไม่รู้แหละต้องขยันที่จะรู้คู่กันร่างกายและจิตรู้คู่กันรู้ไปเรื่อยๆตอนนี้ระหว่างที่รู้กายรู้จิตคู่กันไปอย่างเนี้ยรู้ลมหายใจเข้าออกรู้กายเขาเรียกว่าในมหาสติปฐานสูตรรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ในหมวดกายเรียกว่ากายานุปัสนาสติปฐาน รู้จิตคือความคิดกับอารมณ์ต่างๆในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันเรียกว่ารู้จิตเรียกว่าจิตตาอนุปัฏฐานส่วนรู้นั้นน่ะผู้จิมารู้กายกับรู้จิตนั้นเรียกว่าธรรม า, านุปัสนาสติปัฏฐานแล้ะจะมี <c oughs> จะเห็นว่ามีอีกหมวดหนึ่งคือเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานทีนี้ระหว่างที่เร า, ารู้กายกับจิตรู้คู่กันอย่างนี้รู้คู่กันอย่างนี้นให้ใ ห, ให้ชัดเจนทั้งกายและจิต ตัวคู่กันบางครั้งเนี่ยอก า, การที่ไปรู้จิตเนี่ย ม, มันมันมีมันมันน้อยกว่ามันมารู้ยมารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยชัดเจกนกว่าพอชัดเจนกว่าจิตที่คิดคในตัวตปุงแปลงเนี่ยมันเหมือนไม่คิดมันเหมือนไม่คิดแล้วอยู่ๆมันเหลือแต่มันรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออก แต่ความจริงเราก็รู้คู่กันเนี่ยแต่เหมือนกับไอความคิดมันไม่มีแต่ลมไม่แจก็ออกมันยังมีอยู่แต่บางครั้งบางบางท่านก็ไม่มีนะคือบางท่านเนี่ยรู้ลมไม่ใจก็ออกไปรู้ไปรู้ไปลมไม่แจก็ออกมันหายไปหมดเลยหายไปหายไปแล้วทําให้กายเนี่ยมันค่อยค่อยหายไปด้วยมือเท้าแขนขาตัวค่อยค่อยเรือนหายไปหัวค่อยค่อยเรือนหายไปเหมือนกับหายหายตัวหมดทั้งตัวตคล้ายๆนั่นเอีคก็รู้สึกมันหายตัวหมดทั้งตัวได้ความคิดเนี่ย ก็หายไปถ้าก็รู้อยู่อย่างนั้นนะตลอดที่รู้รู้อยู่อย่างนั้นเนี่ยบางทีมันก็เกิดสภาวะอะไรหลายอย่างมันรู้กายกับกรู้จิตคู่ไปอย่างเงี้ยรู้รููู้้อยู่อยู่มันวูบไปเหมือนตกหลุมอากาศเหมือนตกหลุมอากาศไปเฉยเฉอย่างเงี้ยเลยวูบไปเหมือนตกหลุมอากาศแต่บางนาาคนเหมือนกับว่าวูบไปแล้วก็หลับป๊อกไปอย่างงี้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างงี้เรียกว่าหลับแต่มันเหมือนกับ วูบไปแล้วมันไม่ไม่หลับป๊อกนะเกิน ว, วุกไปแล้วมันเกิดปิติฟานไปทั่วตัวเลยบางทีก็บางคนก็มีเหมือนกับน้าตาเอ่อคอบางท่านก็กายเบาตัวเบาไปหมดเลยนะบางท่านก็มีอาการเหมือนกับว่าไอ้กายนี่มันสั่นสะเทือนเขาเรียกว่าปิติปิติตัวนี้ อาการของปีตินี่ก็เป็นเวทนาเป็นเวทนาชนิดหนึ่งนี่คืออยู่ในหมวดเวทนาที่เมื่อกี้เราพูดถึงหมวดกายานุปันานติสษฐานจิตานุปัฏฐานสติปัฏฐานแล้วก็มานุปันาสติิฐานแต่นี้ก็หมวดหมวดเวทนาก็คือปีติปีติเวทนามีปีติเกิดขึ้นมีอาการซาบซาบไปทั่วมีปีติอิ่มเอิบใจจนน้ําตาเอิบคอไปหมดนี้ก็เป็นปีติเป็นเวทนา หรือเขาเรียกว่าทุติยฌานเรียกว่าทุติยฌานหรือฌานที่สองส่วนฌานแรกทำไมไม่พูดถึงฌานแรกคือวิตกวิจารณก็คือฌานแรกที่เรารู้รู้เราไม่เจาออกคู่กับรู้จิตเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าการทําี่ตกวิจารอยู่อันนี้เป็นฌานฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งเนี่ยมันยังไม่เกิดผลอะไรเขาเขไม่เขาไม่ค่อยนับเป็นนับออนฌานที่สองเลยคือเกิดปีติแล้วก็ พิจิตร์มันก็ทราบสรานอยู่ว่า น, น่ะเราก็รู้คู่มันไปงี้รู้ต้องลมหายใจเขาออกแต่ถ้าลมหายใจเขาออกมันไม่มีก็ไม่ต้องมีมันเกิดรู้ปิติตรู้ทราบทราบเราก็รู้ปิติตรู้ทราบทานนั้นในชัดเจนคู่กับจิตแต่จิตนั้นถ้าเกิดสมมุติไม่คิดอะไรก็ไม่คิดอะไรเราก็รู้ปิติได้ชัดเจน like รู้ปิติได้ชัดเจนรู้ไปไว้อย่างนั้นน่ะไม่ต้องทําอะไรรู้สติมันมรู้ไว้ให้ชัดเจนเลยว่าปิติมันมีอาการหนักเบา มีอาการจางคายก็รู้ให้ชัดเจนมากเลยรู้รู้ความหนักความเบาความแสดงปรากฏการแล้วก็รู้ให้ชัดเจนเมื่อรู้ปิติชัดเจนเนี่ยพิติมันก็จางไปกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกับเราความรู้ของเราในรายละเอียดมากเลยปิติมันจะจางจางจางจางจางจางจางจนกระทั่งมันตีความรู้สึกว่าตีตื้นคือไม่ตัวมาแมทนที่คืออิ่มเอิบใจสุขใจเหมือนกับว่ า, วา ความสุขที่สุดอะชาตนี้เจอความสุขที่สุดอิ่มเอิบใจตีตื้นขึ้นมามันมีสุขขึ้นมาจากภายในมันหัวเหินโล่งไปหมดเลยมีความสุขจริงๆเหมือนทะลุไปหมดเลยหัวเหินตัวเลนทะลุไปหมดมีความสุขแล้วก็ปิติที่มันมีอาการซาบๆกับตัวมันจะหายค่อยๆจากหายไปแต่มีความสุขใจอิ่มเอิบใจขึ้นมาภายในขึ้นมาแทนอันนี้เขาเรียกว่าตัทยชาติชานที่สามหรือเรียกว่า อ่ะสุขหรือเรียกว่าสุขนะแล้วก็รู้สุขอารมณ์สุขนั้นึเป็นเป็นเวทนาชนิดหนึ่งรู้อารมณ์สุขนั้นให้ชัดเจนที่เป็นความสุขใจอิ่มประจัยภายในรู้ให้มันชัดเจนว่าสุขขนาดไหนระดับไหนมันอิ่มเอิบมากขนาดไหนมันจางคลายค่อยๆจางคลายลดระดับไปขนาดไหนรู้แล้วให้มีรายละเอียดชัดเจนมากเลยรู้รูไว้อย่างนั้นให้รู้ตกแต่ไมารู้ไว้รู้รู้ไว้ ถ้าเราไม่ใจยังรู้อยู่ก็รู้เราไม่ใจด้วยชัดจิตยังคิดนั่คือต่อปลุกแต่งก็รู้รู้คู่มันไปด้วยให้รู้ชัดเจนอย่างนี้ดูชัดเจนเสร็จแล้วเนี่ยอารมณ์สุขอิ่มเปิปใจเนี่ยมันจะค่อยๆจากระดับที่มันรุนแรงเนี่ยมันจะค่อยๆลดระดับลงลดระดับลงไปลดระดับลงไปจางคลายไปจางคลายไปจางคลายไปเหลือแต่ความไม่สุขไม่ทุกข์มีความสงบ มีความว่างมีความสว่างมีความโล่งไปหมดเหมือนไม่มีกายไม่มีใจอันนี้เขาเรียกว่าอุเบกขาฌานคือเป็นจตุตัทาฌานฌานที่สี่เทียบกับสมาธิเขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิปปนาาธในขั้นของอุเบกขาฌาน ด้วยเอากาคตาจิตหรืออัปปนาสมาธินี้ในขั้นนี้จะพิจารณาอะไรไม่ได้เพราะเป็นขั้นที่พักกิจจะพิจารณาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นขอใ ห, อในนใหอใ้พักอยู่ในนั้นให้อยู่ในพักอยู่ในนั้นให้นานเท่านานที่ด้วยตัวของมันเองเราไม่ใช่ว่าไปพยายามให้มันอยู่ในนั้นให้นานเท่าที่นานตามใจของเราไม่ใช่มันจะอยู่ในนั้นเท่าที่มันมีความสามารถของมันเองเราก็รู้อยู่อย่างนั้น รู้อยู่ตรงนั้นว่ามันมีสภาวะอย่างไรรู้รายละเอียดให้มันชัดเจนตรงนั้นก็รู้ตอบแต่ว่ารู้ไว้รู้ตอบแต่ว่ารู้ไว้แล้วก็อัปปนาสมาธิหรืออุเบกขาจาร์นั้นมันก็จะไม่สามารถจะอยู่อย่างนั้นได้ตลอดไปมันก็จะคืนตัวออกมาคืนตัวออกมา คือคืนกลับมาเป็นปกติเหมือนท่านที่นั่งฟังอยู่ตามปกติอย่างนี้เรียกว่ามันคืนตัวของมันขึ้นมาเองในขั้นที่เป็นอุเบกขาฌานนั้นน่ผมเรียกมันว่าอุเบกขาเวทนาคือความรู้ที่มันเป็นเวทนาชนิดหนึ่งเป็นเวทนาที่มันจับความรู้สึกไม่ได้ว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เรียกว่าอุเบกขาเวทนาเพื่อจะมาแยก แยกขาดกระเด็นออกมาจากรู้เปล่าๆสักแต่ว่ารู้รู้ได้ใจเป็นกลางวางอุเบกขาอันนี้เขาก็เรียกว่าอุเบกขาแต่เป็นอุเบกขาที่ในขั้นวิปัสนาขั้นสูงสุดคือสักแต่ว่ารู้รู้ได้ใจเป็นกลางวางอุเบกขาไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินร้ายไม่เข้าไปพอใจไม่เข้าไปไม่พอใจไม่เข้าไปอยากไม่อยากอย่างไรอย่างนี้เรียกว่ารู้ได้ใจเป็นกลางวางอุเบกขาอันนี้เป็นในขั้นของวิปัสนาขั้นสูงสุดคือขั้นป้นทุกแต่ในขั้นที่ จิตที่มันไม่มีความรู้สึกเป็นสุขไม่มีความรู้สึกเป็นทุกข์มันสงบนิ่งว่างสว่างอยู่ภายในอย่างนี้เขาก็เรียกว่าอุเบกขาเหมือนกันแต่ผมชื่อว่าอุเบกขาเวทนาคือถ้ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่สุขความรู้สึกที่ไม่ทุกข์หรือเป็นเรียกว่าอุเบกขาฌานแต่จะแยกออกไปจับ ก, การรู้ที่เป็นอุเบกขาเมื่อ จิตมันเข้าไปอยู่ในสภาวะเอการาชตาจิตอัปปนาสมาธิหรือจะสู่ตาชานรู้เบขาชานนานเท่านานตามกำลังของจิตเสร็จแล้วมันก็จะค่อยๆถอนคืนขึ้นมาเป็นปกติเมื่อถอนคืนขึ้นมาเป็นปกติในขั้นตอนนี้ผู้ฝึกปฏิบัติแยกออกได้หลายกรณีกรณีที่หนึ่งเมื่อจิตถอนคืนึสู่ปกติใหม่ๆ ให้นอมพิจารณาถอดผมขนเล็บฝ้าหนังเนื้อเองกระดูกตับไตไส้พมงไส้น้อยไส้ใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจแยกออกน้ำเลือดน้ำเหลืองแยกออกเป็นชิ้นชิ้นช้ในเน่าเปื่อยผุพังหมดสิ้นไปให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้แยกออกเป็นส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วกระเด็นออกไปถอดออกไปควักออกไปกระเด็นออกไปจนเข้าไปถึงความไม่มีอะไรเข้าไปถึงอากาศสามผัสจนไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเป็นแต่ความว่างเปล่า พิจารณาอย่างนี้พิ่นาและพีนาเล่าจนใจมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าเราเกิดมาก็ต้องตายลงไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่ตุตทุกคนก็ต้องตายกันหมดสิน้นตายแล้วก็เป็นเท้าธุลีไปหมดไม่มีอะไรเหลือมาจากดินกับคืนสู่ดินมาจากเท้ากับคืนสู่เท้ามาจากธุรีกับพืนสู่ธุรีมาจากความว่างเปล่ากับพืนสู่ความว่างเปล่าพิจารณาอย่างนี้น้อมพิจารณาอย่างนี้ทุกวั น, ท, ว น, ท, วนทุกคืนทุกวันทุกคืน จนใจมันยอมรับตามความเป็นจริงเรียกว่ายถาภาูตย า, าณทัสนะใจก็จะปล่อยวางความยึดฟั้นถือมั่นลงจิตกรณีหนึ่งก็คือว่าเมื่อจิตถอนตัวออกจากอปปนาสมาธิรู้เบขาจารย์แล้วก็รู้ลมหายใจก็ออกตามเดิมหรือรู้ความบริกรรมพุทโธตามเดิมคู่กับจิตในขั้นนี้บางท่านเนี่ย มีวาสนาเก่าในเรื่องของมรณานุปติอสุภะกรรมฐานเมื่อจิตสงบลงเต็มที่แล้วเมื่อจิตถอนออกมาบริกรรมพุทโธไม่กี่ทีหรือรู้โลไม่ใจเขก็ออกไม่กี่ทีเห็นร่างกายตัวเองอะ่ะลึกไปเห็นด้วยตาหน้าหรือตาในคือเห็นเป็นนิมิตเกิดขึ้นมา้อนตัวเองขึ้นมาว่าไม่ใช่เห็นกายเนื้อนี่เน่านะ เห็นตัวของตัวเองเป็นนิมิตขึ้นมาเน่าเปื่อยผุพังต่อหน้าต่อตาแสดงความเน่าเปื่อยผุพังให้เห็นชัดปรากฏขึ้นด้วยความรู้สึกภายในไม่ว่าจะหลับตาลืมตาก็าเห็นอย่างนั้นเป็นความรู้สึกรู้จับภายในเป็นเป็นภาพนิมิตที่เกิดขึ้นมาตามวัติวิสัยวัสนาเก่าภาพนั้นก็เน่าเปื่อยผุพังให้เห็นต่อหน้าตา่อตาจนชัดเจนมากน้ําเหลืองไหลเน่าเปื่อยผุพังไปบางทางั้งมีกลิ่นเหม็น ผสมเข้ามาด้วยเป็นเหมือนกับเป็นของจริงที่เกิดขึ้นจริงๆผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอในถึงในขั้นตอนนี้อาจจะเกิดความกลัวแตกตื่นตกใจได้แต่จริงๆตรงนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จะทำให้พ้นทุกข์ก็ให้แข็งใจพิจารณาอยู่ตรงนั้น ถ้ากลัวก็พุโทโธกำกลับไปในการดูรู้เห็นพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธพุทโธเอาพุโทโธเป็นที่พึ่งที่อาศัยในการดูรู้เห็นความจริงนั้นแต่ถ้าไม่กลัวดูรู้เห็นตามความเป็นจริงก็เพ่งพิจารณาเห็นความเป็นจริงในภาพนิมิตนั้นเขาเรียกว่าอุกกาห์นิมิตการเห็นภาพนิมิตนั้นหน่งขึ้นมาในใจครั้งแรกเขาเรียกว่าอุกกห์นิมิตแล้วภาพหน้าที่เน่าเปื่อยผุพังของตัวเองที่ปรากฏขึ้นมาแล้วเน่าเปื่อยผุพังสยายความเน่าออกไปตล เน่าออกไปเน่าไปเน่าไปเรื่อย ๆ, ๆนั้นเขาเรียกว่าปฏิภาคนิมิตไม่เห็นต้องอุปทานิมิตปฏิภาคนิมิตใ้ชัดเจนตามความชัดเจนในใจอย่างนั้นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ําอีกใจก็จะสิ้นจากการยึดถือยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางการยึดถือลงมีกรณีประเด็นที่สองกรณีประเด็นที่สามผู้ที่ไม่มีอุปนิสัในเรื่องของ การพิจณาความตายมาก่อนเมื่อนานุสติมาก่อนมีอุวิสัยวาสนาในขั้นจิตเห็นจิตมีหลายขั้นก็พิจารณาในขั้นนี้เมื่อจิตถอนคืนออกมาจากอปปนาสมาธิหรืออุเบกขาชาหรือเอกภพตาจิตแล้วมาเป็นจิตที่เป็นปกติแล้วก็วให้มีสติรู้อยู่ที่ใจดูอยู่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจเพ่งอยู่ที่ใจกำหนดอยู่ที่ใจพิจารณาอยู่ที่ใจ ใจหรือจิตตอนเดียวกันคือให้เห็นว่าจิตมีความคิดนึกตึกตองวิตตกกังวลต่างๆปรงแต่งในประการต่างๆมีความพยายามประทําอย่างไดมีความพยายามในการคิดค้นดิ้นรนค้นหาอย่าง ใ, ใดๆเรียกว่าปรงแต่งคือมีการปรงแต่งจิตปรงแต่งใจ ให้มีการคิดค้นหาให้มีการมีการพยายามกระทำขึ้นมาในภายในก็ให้สติรู้อยู่ที่ใจหรือรู้อยู่จิตเห็นจิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่ทาจารุธรรมโอท่านได้คำว่าให้สติรู้อยู่ที่ใจหลวงปู่ดูนตุโลใช้คำว่าจิตเห็นจิตซึ่งก็คือคำหมายความเดียวกันหลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินมักเร้ง เรียกคว่าให้ใจมารู้จิตจิตก็คือความคิดความนึกความตึกความตองความพงแต่งมีการกระเพื่อมตัวไหวตัวปรากฏตัวกดดับได้จับให้จับความรู้สึกได้เรียกว่าจิตหมดส่วนใจมาทำหน้าที่รู้จิตใจนั้นไม่เคยปรากฏตัวตนไม่ปรากฏรูปล่าไม่มีที่อยู่แต่มารู้ทำหน้าที่รู้จิตแต่ไม่เคยมีใครพบใจ ถ้าผู้ใดรู้จิตแล้วไม่ไปติดจิ ต, จตก็จะพบใจผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงบนนิพพานนี่หลวงปู่ ม, มั่นมีเขียนบันทึกไว้ในหนังสือหลวงปู่ ม, มั่น ดัน้เวลาเราออกถอยจิตถอนคืนขึ้นมาจากอุเบกขาชาไม่ใช่เราเป็นผู้ถอนนะจิตเขาถอนคืนขึ้นมาถอยคืนขึ้นมาเหมือนกับว่าดำน้ําไปกบดานนิ่งอยู่ใต้ก้นแม่น้ําหรือใต้ก้นท้องมหาสมุทรหมดกําลังแล้วมันก็ลอยตัวขึ้นมาเหนือผิวน้ําตามปกติจิตก็ลอยตัวออกมาเมื่อจิตถอนตัวออกมาแล้วก็จิตเห็นจิตจิตเห็นจิตหรือใจมารู้จิตหรือสติมารู้อยู่ที่ใจอันเดียวกันหรือให้ผู้รู้มารู้จิตไว้ ให้ผู้รู้มารู้จิตไว้คือคำๆเดียวกันหมดผู้รู้ก็คือทำส่วนจิตก็คือจิตตาอนุปัฏนานสติปัฏฐานส่วนผู้รู้ก็คือทำมานุปัฏนาสติปัฏฐานให้ผู้รู้มารู้จิตไว้เราจะเห็นตอนแรกผู้รู้นั่นแหละรู้กายรู้ลมหายใจก็ออกแล้วก็มารู้เวทนาตั้งแต่สติเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาเรียกว่าในหมวดเวทนานุปัฏนาสติปัฏฐานแต่แล้วเมื่อ จิตใจดันถอนคืนขึ้นมาเป็นปกติก็มาเห็นจิตในหมวดจิตตานุปัฏนาสติปัฏฐานคือติดเห็นจิตจิตที่มาเห็นก็เรียกว่าผู้รู้เรียกว่าธรรมานุปัฏนาสติปัฏฐานส่วนจิตที่ถูกรู้ถูกเห็นก็เรียกว่าจิตตานุปัฏนาสติปัฏฐานก็ให้ผู้รู้มารู้จิตไว้มารู้จิตไว้จิตมีความคิดนึกคิดตอมปรุงแต่งแสดงกฏิริยากระเพื่อมอย่างไรมีอารมอย่างไรมีอาการอย่างไรดูรู้เห็นไวจัตตบัตวดูรู้เห็นไว้ในขณะนี้ ควรจะดูรู้เห็นคู่กับลมหายใจเข้าออกหรือดูรู้เห็นคู่กับคำบริกรรมพุทโธคือดูจิตแล้วก็ให้รู้กายด้วยรู้กายรู้จิตคู่กันไปรู้กายรู้จิตคู่กันไปเมื่อจิตสอนคืนขึ้นเป็นปกติแล้วให้รู้กายรู้จิตคู่กันไปคือรู้กายคือรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็รู้จิตก็คือรู้ความคิดความนึกความตึกความตองความมิดตกความกังวล ความปรุงแต่งจิตหรือจิตปรุงแต่งต่างๆก็ให้รู้คู่กันไว้ตลอดเวลาจนกว่าจะพบผู้รู้ซึ่งเป็นธรรมมานุปรัสนาสติปัฏฐานจริงๆก็รู้คู่กันไปอย่างนี้ถ้าไปรู้จิตอย่างเดียวโดยไม่รู้ลมหายใจคู่กันหรือไม่บริกรรมคำว่าพุโทโธหรือบริกรรมคำอื่นใดคู่กับกันในการรู้นั้นจะถูกจิตลากไปโดยไม่รู้ตัวเลยลากไปมีอารมณ์ต่างๆ แล้วก็เมื่อไหร่ที่จะลืมดูจิตแล้วก็ไม่รู้ตัวคือลืมด <No ูไปตั้งแต่เม totally hmm ื่อไหร่ก uh, ็ไม่รู้ตัวโดนจิตลากไปก็ให้มารู้คู่กันอยู่อย่างนี้รู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจหาเหตุผลใดๆพราะขณะใดที่จิตมันเห็ุหายเหตุผลขึ้นมามันก็เป็นจิตที่ถูกรู้แล้วก็รู้ไปเรื่อยๆเมื่อใดสนใจหาเหตุผลคิดค้นหายเหตุผลมันก็เป็นจิตที่พุงแต่งผู้รู้ก็มารู้จิตที่ปุงแต่งนั้นไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปอย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆ มีพูดกาบเรียนถานหลวงปู่ทาจารุธโมว่ารู้ไปเรื่อยๆ ร, รู้ไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้แล้วกิเลสตัณหามันจะสิ้นไปเมื่อใดหลวงปู่ทาตอบว่ามันจะสิ้นไปเมื่อใดก็ช่างมันไม่เกี่ยวกับเราจ่างหัวมันมนก็สิ ม, มันไปเองอ่ะแหละเราก็ทําหน้าที่อย่างเดียวคือรู้ไปรู้ไปรู้ไปเรื่อยๆแต่ท่านเตือนอยู่อานะคือว่าในการรู้ไปรู้ไปนี้ อย่าอยากดูอย่าอยากรู้อย่าอยากเห็นอย่าอยากได้อย่าอยากให้เป็นอย่าอยากดูอย่าอยากรู้อย่าอยากเห็นอย่าอยากได้อย่าอยากให้เป็นเพราะทางนี้พระพุทธเจ้าพระหันท่านวางหมดแล้วไม่ใช่ทางพันิพานการดูรู้เห็นด้วยความอยากไม่ใช่ทางพณนิพ่านเป็นทางตรงกันข้ามกับพันิพาน ให้ดูสักระวัดดูสักร ต, ว, กตวรู้สัตระวเห็นอันนั้นเนี่ยเป็นทางพระนิพพานนี่คำสอนอันนี้ชัดเจนมากวิธีการปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่างนี้ในหมวดมหาสติปัฏฐานสูตรกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็มีผู้สามผมว่ารู้แล้วเนี่ยมันจะรู้รู้รู้แล้วเนี่ย รู้แล้วเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับนิพานหรือมันสิ้นกิเลสตัณหาที่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรก็คือว่าอาวิชาเป็นปัจจัยทําให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยทําให้เกิดนามรูปสลายยตนะปัสะะะสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติความทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจในปฏิจจสมุขบาท เพราะอาวิชาเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดสังขารสังขารก็คือมีสังขารสามคือสังขารกายสังขารวาจาสังขารใจสังขารจิตอะรหือจิตจสังขาร น, นั่นเองสังขารกายก็คือกายร่างกายเหล่านี้เองที่ต้องปรุงแต่งให้มีชีวิตอยู่การกินอยู่หลับการกินการกินน้ํากินอาหารการปรุงแต่งร่างกายเสอนไหวต่างๆให้มีชีวิตอยู่เรียกว่า สังขารกายปรุงให้มีร่งางกายมีชีวิตอยู่ได้สังขารวาจาคือการปรุงแต่งวาจาที่เราพูดสอนกันนี่เรียกว่าสังขารวาจาสังขารจิตก็คือจิตที่คิ ด, คดนึกตึต่ตองปรุงแต่งมีอารมณ์ในราการต่างๆเรียกว่าสังขารจิตแล้วสารลําคันมันยึงจริงอยู่ที่สังขารจิตหรือจิตแตสังขารที่จะไปเกี่ยวข้องกับความพ้นทุกข์หรือหรือความสิ้นทุกข์จิตแตสังขารก็คือว่า เวลาจิっっตเขาคิดนึกตึกตอปงแต่งมีอารมณ์มาแล้วเราไม่รู้เราปล่อยให้คิดนึกตึกต่อปงแต่งมามีอารมณ์ไปตามนั้นก็เรียกว่าอาวิชชาแต่ตราบใดที่จิっっตเขาคิดนึกตึกต่อปงแต่งขึ้นมาแล้วเรารู้มันก็เป็นจิตตานุปบสนาสติปัฏฐานเมื่อรู้มันก็เป็นวิชาแต่มันยังไม่เป็นวิชาสาวรเพราะว่ามันยังรู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วลยังรู้รรยึดบ้างไม่รู้รู้ไม่ยึดบ้าง แต่รู้ไม่ยึดสิ้นเชิงนั้นยังไม่มีเพราะว่าถ้ารู้ไม่ยึดสิ้นเชิงนั้นนบูธากล่าวว่าเหมือน ก, น า, ก, การหักก้านบัวหรือก้านกล้วยแห้งแห้งหักเปะขาดเสาบ้านไม่มีใยที่จะติดกันอีกต่อไปเข้าถึงวิมุตเข้าถึงพรนิพพานการที่เรารู้รู้ต่้งแต่ตรู้นั้นเป็นการที่เรารู้เพื่อฝึกละปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นทั้งภายนอกและภายในไปเรื่อยๆเืๆ่อยๆเืๆ่อยๆไม่รู้ว่าตัเองพุโธอยู่มีสติหรือเปล่า คำมีสัตว์เราเองรู้เรารู้ตัวอยู่ว่าเราบริการพุทโธอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้มีสติแม้แต่เรานั่งรับอยู่แต่เรารู้ตัวตลอดเวลาว่าเรายังบริการพุทโธอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้มีสติแล้วก็คําบริการพุทโธ ห, หายไปแล้วเราก็รู้ว่าแบบนี้คําบริการพุทโธหายไปแล้วแล้วก็มีคําบริการพุทโธขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีสติต ล, ลอด จะสงสัยว่าเอ๊เรามีสติหรือเปล่าท่าลองให้คําบริกรรมพุทโธหายแล้วท่านรู้ไหมว่าคําบริกรรมพุทโธหายถ้าคําบริกรรมพุทโธหายแล้วก็รู้ว่าคําบริกรรมพุทโธหายแสดงว่าท่านมีสติถ้าพุทโธพุทโธไปไม่รู้ตัวเองพุทโธเราพุทโธหายรู้ไหมถ้าพุทโธหายเรารู้ว่าพุทโธหายอย่างนี้แสดงว่าเป็นผู้มีสติเจอแล้วกหมอเลยสงสัยเจอ เวาเราถามไปเรื่อยๆลุก็ึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็มีสติปุโรหิตมันหายไปนี่คือว่าเราไปควรทับไปปุโรหิตมันก็หายไปถ้ามีความคิดเกิดขึ้นแล้วรู้แล้วก็ความคิดเหล่านั้นหายไปแล้วไม่มีความรู้สึกวนแน่นจิดอัด ซตื้ออะไรเป็นปกติธรรมดาและเหลือแต่รู้รอลอยเด็ดวป็นิสระอย่างนั้นไม่เรียกว่าไปกดข่มบังคับอะไรแต่ถ้าความคิดหายไปแล้วเกิด อ, อาการทางกายแน่นตึงอัดซึ้บตื้อย่างนั้นเรียกว่าไปสะกดจิตไปสะกดความคิดนั้นไว้ไความคิดหายไปนี่เรื่องปกติครับเพราะว่าพอมีส ต, ติรู้ว่าความคิดเหล่านั้นก็จะหายไปเองอัตโนมันติก็เหลือแต่ผู้รู้รอลอยเด็ดวป็นิสระไว้เหลือแต่รู้วป็นิสระอย่างเดียว แล้วก็เมื่อความคิดหายไปก็เหลือแต่ใจที่วางเปล่าก็รู้อยู่ก็ที่ใจที่วางเปล่านั้นไม่ต้องคิดอะไรขึ้นมาก็ได้ครับอย่างนี้เรียกว่าเข้าถึงผู้รู้เลยโดยที่ไม่ต้องรู้ที่คำบริกรมพุทโธที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายกาการสามยุติธรรม คือวิธีปฏิบัติเนี่ยมันต้องก่อนอื่นต้องมีให้ใจมีเครื่องวอาเครืองอยู่ก่อนต้องให้ใจเรามีหลักใจหลักใจเนี่ยองค์พาาะระเจ้ายกตัวอย่างทั้งสี่สิบอย่างสี่สิบอย่างที่นําหน้าเลยคือเลิศถึงพระพุทธธรรมประสงค์ก็คือพุทโธนี่พุทโธสัมโมสังโคพุทโธสัมโมสังโคครับที่เหลือก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็ตารางก็มาท่านอาจารย์ ชาวอแล้วก็ลงปู่เทียนนี่ให้บอกมือให้โบกมือเป็นเครื่องรออไว้เป็นเครื่องอยู่ของใจเป็นหลักใจแต่อื่นเก็มีสมมาหลานก็มียุบหนอก้องหนอดูต้องคลองคลงยุบ ก, ก็มีดูลมหาใจเข้าเขาก็มีลอดจิตหรือว่าเป็นหลักใจไว้ก็ต่ว่าใครจะถนดัดอย่างใดะนั้นเมื่อใครถนัดอย่างใดแล้วก็สิ่งใดใช้เป็นเครื่องร่อจิตแล้วสามารถที่จะให้ใจเนี่ย มันมีความสมงบระงับหลงเจริญแต่ความคงสร้างเนี่ยเราก็ใช้อย่างนั้นได้ไม่ผิดบางทีผมก็ใช้สลับกันบางทีเมื่อก่อนเน่ใช้ใช้สวดโมลิติปิโซกกรวาสลับาโตสุปตะมโนโนโจบแล้วก็สวดอีกแล้วก็สวดอีกพรพุโทโธสั้นไปต่อมาต่อมาเนี่ยมาชอบใจพุโทโธยังอื่นไม่ไม่ชอบใจพุโทโธแล้วรู้สึกว่าถูกใจถูกจริญนิสัยแต่ก่อนที่มาถูกเจริญนิสัยพุโทโธชอบพิจนารณาถึงความตาย ความน่าเผยผูกความถูกเจริตนิสยัยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันจะวางกดตายตัวไม่ได้ว่าว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ของของคนด้านถูกของคนดีผิดไม่มีมีแต่ ว, ว่าเจริตนิสัยเราเราสังเกตเราเองคือบางทีเนี่ยกลับมาจากทํา ง, งานแล้วท้องแต่ยเย็นก็ลงมือเดินเดินจงกรมแล้วก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไม่สงบฟุ้งจ้านมากไป จิตจีบีโตกระวาสรัสดะโตสัพพโไม่สงกฟุ้งร่านมากพิจารณาความตายสุภาษกรรมฐานผมกดเล็บฟ้าหนามเ้ยเองกระดูกตับไตเส่นงใส้น้อยเส่ใหญ่มากตักปอดหัวใจน้าเลือดน้ำเหลืองแย่กอ่เป็นิ้นชีนให้น้าเบิดฟังไม่สงบเพราะเดยคว่าสัพเทสังฆารานิจาสัพเทสังฆาราทุขาสัพเทธรมานตาจิตเป็นไไปไหนเลยมัน บอกไม่ถูกรู้สึกว่าจิตมันหดตัวเข้ามาวันนั้นชอบจิตมันชอบสเพสังฆาราอนิจจ่าสเพสังฆาราสุขาสเปสัมมาอนัสตานเดอร์อไม่จิตไม่หดตัวลงมาคงสร้านทั้งวันทั้งคืนเดินจนถึงเทียบคืนที่หนึ่งที่สองยังไม่หายคงสร้านมันก็เป็นอย่างนี้ไม่จะ่วเวาบอกมาแล้วน้ำหนึ่งว่าทุกคนมาฝึกแล้วมันง่ายก็ไม่ใช่จังง่ายหรอกจริงๆเอาความจริงมันต้องสังเกต มันฟุ้งซ่านจริงๆขนาดเดินอยู่ในน้ำกระจกเอาซึ้งหน้าเนี่ยมันไม่สงบเลยคิดถึงแต่เรื่องที่มีปัญหาที่เรงงานมาคิดถึงที่ไปคุยกันเล่นสเสปรย์ล่าสมณีสิบวิโดนในกลุ่มเมื่อกลางวันมันก็ติดไปในจิตตอนมาถึงต้องกลางคือนมาปฏิบัติมันก็ฟุ้งซ่านตลอดเลยไม่สงบเที่ยงคืนจีนหนึ่งก็เลยยังไม่สงบเดินถึงตีห้าตีเดินถึงสว่างกว่าจะสงบก็ได้จริงๆเนี่ยลองตั้งหลายหลายอย่างหลายประการ บางทีสเปรสังการานี่จ้าสเปรย์สังกะราทุกขาสเปรสมานน้ำตาไม่สงบไปสงบเอาแยกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับใจไดุ้๋มไปน้อยไตใหญ่มาตัดขดหัวใจน้ำเลือดน้ำเหลืองแยกออกหมดเลยเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิโยนทิ้งออกไปโยนทิ้งออกไปควักทิ้งออกไปควักทิ้งออกไปจากตัวเราทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นละชิ้นควักชิ้นไหนออกไปให้นาเปิดภูพังแบบพิจารณาเห็นความนาเปิดภูพังแบบรู้สึกว่าชอบใจตรงนี้แล้วก็ใจไม่ไปไหนเลยคิดได้ทั้งคืนทั้งวัน แต่แต่บางทีคิดอยู่อย่างนี้ตงบดีวันต่อมาเอาอย่างนี้อีกคิดอย่างนี้อีกไม่สงบเลยฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านเดินเพี้ยมคืบยังฟุ้งซ่นนงานอยู่อย่างนี้ผมไม่สงบแน่ก็เลยอะบางทีก็ไปชอบใจบทพิจารณาว่าเรามีความเกิดขึ้นแล้วต้องมีความแก่เป็นธรรมดาเราต้องมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่อาจรวคพลจากความตายไปได้ แค่ดึกอย่างนี้ใจมันก็คงปล่อยวางทั้งสิ้นลงสงบหดตัวเข้ามาเริ่แต่ความสงบแล้วพิจารณาผิดอย่างนั้นทั้งคืนทั้งวนันจะถึงเชา้ากลางวันก็ยังต่อได้มันรู้สึกว่ามันชอบใจมันไม่อยากเลิกมั น, นพิจารณานในตอ้กลางคืนกลางวันบางวันคิดเกียดจะพิจารณาไม่เฉยเมื่อแก่พุทโธพุทโธพุทโธก็สงบนะบางวันพุโทโธอย่างเดียว ม, ทยทยลลมันสงบพุทโธทำโมสองโคลาลึกถึงพระพุทธประเสริฐและลึกถึงบุญคุณของท่าน ขงพระพุทธพระธรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ก็สงบปุ๊บลงมาเลยพรไม่ทั้นได้พิจารณาอะไรมันก็แปลงจริงจิตเราเนี่ยมันก็ต้องเระควบมันต้องบางทีว่าบอกวางแบบแผนตรงนี้พอถึงข้อจริงเนี่ยบางทีมันต้องสังเกตต้องเป็นนักสังเกตว่าอย่างไรมันถึงจะสงบและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านั่งทำกับเดินทำผมไม่รู้เวลาจะนั่งทำแล้วไม่ได้เรื่องเลยถ้านั่งทำแล้วมันหลับ นั่งแป๊เดียวเนี่ยง่ห้วงหลับป๊อกแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรบางทีไม่หลับมันก็ตุ้อๆอยู่งั้นอ่ะไม่ได้เรื่องอะไรเลยผมว่าถ้าถ้านั่งทําแล้วก็ไม่ได้เรื่องคือว่ามันมันง่วงหรือไม่ง่วงก้มก็ทื่อๆทืๆไม่ปากเปลี่ยวไม่อะไรต้องเดินจะเรียก ว, ว่ามีกรรมได้เ้านั่งทํำสบายๆผมต้องเดินเดินมันต้องคืนเดินจนสว่างเดินได้คืนต้องคืนทั้งวันเดินได้ชอบแต่นั่งไม่ได้ถ้านั่งแล้วเดี๋ยเป็นเรื่องหลับป๊อกแล้วก็ ไม่หลับมันนั่งแน่นอึดอัดตัวนั่นแหละปัญญาไม้มีอะไรนะแต่ถ้าเดินรู้สึกว่าพิจารณาอะไรมันก็ลงดีลงชัดเจนดีก็ทําอย่างนั้นแหะพิจารณาพออย่างไหนมันชัดเจนแล้วก็ตัดติดตรงนั้นเลยคือชัดเจนมาถึงว่าเฮ้ยรู้สึกใจมันมาสงบจากความคุ้มซ่านก็ตัดติดตรงนั้นไม่ไม่ถอยหนีเลยตอนนี้ครัทั้งคืนทั้งวันก็พระพุทธรามมันสงบราบเรียบดีก็พุทโธทั้งคืนพระพุทธรามไม่สงบไม่วิจารณาอย่างไรมันสงบแ่บทั้งคืน กับผิตรงไหนมันรนู้สึกว่ามันทำให้ใจใจสงบราบเรียบดีตรงปล่อยวางได้ดีก็อเอาสิ่งนั้นมาทั้งวันมันคืนต่อกันทั้งอาจจะวันเป็นเดือนเลยเอาตรงนั้นเป็นเดือนแต่บางทีระหว่างทํามาวันขึ้นใคยตรงนี้เคยสงบมันก็ไม่สงบอยู่แล้วมันต้องฉลาดมากเลยเอุบายแหงครูบาอาจารย์ท่านได้จากจีนเนะแต่ความฉลาดต้องเป็นเรื่องของเราเจาต้ตัวต้องเป็นคนที่ฉลาดมากเลยต้องสังเกตตัวเอง เราบอกว่าครูบาอาจารย์วางระเบียบแบบนี้แล้วเราก็ต้องทําอย่างนี้ไม่กยับไม่อะไรแล้วบงคนนั่งเนี่ยเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีไม่ได้อะไรบางคนก็เขาบอกว่ายายหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพอลงมือจะอะไรก็ยังนั่งคอตกทุกวันเลยพอลงมือตอนอยู่ดีๆกูอยู่ดีๆเอ้าลงมือปฏิบัติพอเริ่มลงมือปฏิบัตินั่งคอตกแล้วก็เป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วก็ไม่แก้ไขอย่างนี้ก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรนะท่านต้องต้องสังเกตตัวเองทําอย่างไรแล้วก็มันไม่ก้าวหน้าเดี๋ยวเดี๋จะทําอย่างนั้นต่อไปต้องแก้ไข แก้ไขตัวเองถ้าผมเดินแล้วรู้สึกว่าเดินได้ถ้าเป็นทั้งวันแล้วสถานที่ก็มีประโยชน์ผมชอบเดินในที่โล่งๆบางคนชอบเดินในค่ําบางคนชอบเดินในเดินที่เงียบๆคนเดียวไม่แค่มายุ่งเดินอยู่ในในที่แคบๆแต่ผมชอบเดินที่โล่งๆไม่รู้แปลกถ้าเดินเดินบนภูเขาแล้วก็มองสารคดีได้หลอกทิศแล้วรู้สึกใจมันเปิดโล่งเบิกบานมากเลยโดยเฉพาะเช้ามืดเองใจมันโล่งไปหมดเลย มองมันมันรู้สึกว่ามันเปิดโลกไปหมดเดินได้นี่ก็มีส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือว่ากินมากกินน้อยยิ่งมีส่วนมากกินมากกินน้อยต้องคนเจ้าสังเกตกินมากกินน้อยแล้วก็กินอาหารประเภทใดบางคนนี่กินเนื้อแล้วกินเนื้อมาหนักหนักแล้วกินง่วงบางคนกินกินอาหารกินไขมันหนักหนักมาแล้วมานั่งง่วงบางคนกินแล้วโปรตีนน้อยมากแล้วนั่งง่วง ผมระหว่งางความตอนเทียนนี่กินผักกินผักรู้สึกว่าเบามาก เ, ลเวลาถ่ายออกวางก็ไม่เคยเหม็นม้กินผักดีมากแต่ไม่ใช่ว่าห้ามให้คนกินเนื้อกินอะไรนะหมายถึงว่ากินน้อยแต่กินผักมากมากกินเนื้อในน้อยรู้สึกว่าเออมันโล่งดมีมันโล่งรู้สึกว่าการเบาถ่ายออกมา ก, ก็ไม่เหม็นแล้วรู้สึกว่ามันสามารถมีการสิบัติทในต่อเ น, นื่อ้อีกกรณีสังเกตก็คือว่าถ้ากินในเครื่องเทศแรงๆมีปัญหาเหมือนกัน ในการปฏิบัตรู้สึกจิตใจมันมันมันไม่ค่อยจะสงบลงรวมตัวลงกินอาหารลดจัดเก็บจัดเครื่องเสตรยงแรงแต่คนก็ไม่เป็ น, นปเพื่อนพระองโงเพื่อนพาบองค์ที่เคยปฏิบัติในการบอกกินนมไม่ได้เลยกินนมวันไหนกินนมสดแล้วก็กามตัณหาลาภะควาเมเลิกศแต่ท่านเป็นคนที่เชี่สังเกตบา ค, คนกินไข่ไม่ได้กินไข่ปุ๊บกามตัณหาลาคาความเลิกก็แปลกย่างจริงไอ้ของวันนี้มันมล้างโดยชอบล้างยาต้องท่านจังเกิดสังเกต ที่การการนอนเนี่ยนอนบางทีเนี่ยเอาละอดนอนตอนน้อยตื่นมาตีสองตีสามตีสี่มาเล่ปฏิบัติวันนั้นทีไม่ได้เรื่องอะไรเลยปฏิบัติตื่นมาอากุโสตื่นตอนตีสองตีสามมาปฏิบัติสโลสเลเดินเดินเซอหัวสุนซุน้งคืนเดินต้องถึงเช้ายังหัวสุนซุนแล้วก็มาถึงถึงเช้า หัวถึงง่าโซฟาหลับปอยไปเลยหลับคุยไปเลยหลับต่อไปเลยไม่ได้เลือกอะไรเลยบางทีตื่นมาแปลกจริงแต่ถ้าได้ปฏิบัติตั้งแต่หัวข่ําไปตั้งแต่เย็นกลับไปแล้วปฏิบัติมันก็ยาวตั้วันตั้งคืนถึงสว่างเนปฏิบัติได้แต่เ่อตอนมาตื่นไนตอนตีสองตีสามตีสี่ปฏิบัติมันไม่เคยกไงไงัไ ม, ม่ทราบพราตื่นมาเราผมเราหัวตุนเลยแต่บางคนชอบเนี่ยมันมั่นก็ยังเนียนแปลกบางทีนอนน้อยไปก็แย่ร่างกายก็พ่อแป้พ่อแป้บอกไม่ถูกแต่ถ้าเดินเล่น เดินทำความเปลี่ยนจะใส่เย็นมาข้ามวันข้ามคืนได้แต่ถ้ามามาตื่นตื่นเดืกว่านอนน้อยครับเอาเรื่องนะเอาเรื่องเลยอนนี้มันก็ต้องสังเกตคนที่เจะสังเกตผมก็ลองสังเกตตัวเองแล้วก็กลางวันคุยกันมากคุยกันมากลางคืนพุ่งสัานแน่นอนถ้าท่านพูดมากคุยโทรศัพท์มากคุยกันมากรับรองพุ่งสั้นเราปฏิบัติพุ่งสัานเลยแล้วมองเดินสมงคมนั่งสมาธิไอ้สิ่งที่ท่านคุยกันเนี่ยมันเข้ามาในหัวท่านเข้ามาหยุดเลยต่อเรื่องเลยตรงนี้ ผมมองเห็นเลยโอ้โหเลยปัญหาจริงๆใ น, นระหว่างพุปฏิบัติก็เราต้องเป็นคนที่จับสังเกตการพูดมากการกินมากการนอนมากนอนมากมีปัญหามากนอนมากนี่มีปัญหามากจริงๆการมตราตนะราคาตําเลิกนอนสมบูรณ์เต็มที่การมตร า, าตนะราคาตําเลิกจิตใจกรุงสร้างนอนมากไม่ใช่ว่านอนนอนมากดีนะนอนมากลอ ง, องสังเกตตัวเองเป็นคนดีจ้าสังเกตนอนมาก กินมากพูดมากเป็นปัญหาทั้งนั้นเป็นปัญหาคนคิดที่เป็นคนเช่าสังเกตจริงๆแม้แต่กินอะไรก็จะเป็นคนชาสังเกตสถานที่ประเทศไหนมองอะไรโดยเฉพาะก่อนนี้หนังสือพิมหน้าหนึ่งอ่านไม่ได้ตอนทำความเปลี่็นต่อเรื่องหนังสือพีมหน้าหนึ่งมีแต่รูปโปโป้ท่างนั้นเนี่ยมีแต่รูปโปโปเปือยๆทั้งนั้นเน่ะแล้วก็มีรูปข่าวข่าวกันกับโปโปเปลือยไอ้ที่โปโปเปือยๆมันก็มันก็กลายเปนปัญหาราคาต่เรลือินไอ้ที่มันฆ่าการบวิวาร เอภาพาแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้ไม่มีหรอกไอ้ข่าวที่ชมเจอได้เมีหน้าหนึ่งลงไปดูดิวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลวิาพากษ์เวลาคู่ต่อตู้วิพากษ์วิจารณ์ฆ่ากันอะไรกันในนี้เราต้องนี้ส่วนที่ไปสบายใจกับส่วนที่การวาตัญหาราคาตําเริ่มหน้าหนึ่งไม่ดูเลยพวกนี้ไม่ดูเขาทาความเสียดก็สังเกตเอากวาดูสิ่งเหล่า น, นี้หาความสง บ, บใจพอเรามีความสง บ, บใจอย่างนี้แล้วเราก็เลือกเอาว่า สิ่งใดเราพิจนารณาถ้ามันมีคาสมุทโธถ้าชอพุโธสำหรัพุโธถาชอบพิจารณาถ้าขาชอบช อ, อิจารณถาชอ บ, ททอชอ บ, บอกมือถากบ่มือแล้วจากท่านอบบอ น, ะ น, นะไม่อยู่ที่ว่าท่านไปแสวงหาที่โดนที่นี้คน น, น, น, น, น, น, น, นนั้นคนนี้สำนักนั้นตำนักนี้มันอยู่ที่ตัวท่าน